4.11 จิตพระ อ, อรหันต์วงเล็บเปิด5มีนาคม2550จุดจุดนาที44วงเล็บปิดพระ อ, อรหันต์เวลานอนไม่รู้หรอกนะเวลานอนจิตก็ลงผวังเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคนชอบถามว่าพระ อ, อรหันต์มีสติรักษาจิตตลอดเวลาไหมพระ อ, อรหันต์ไม่ได้ยึดถือจิตเพราะฉะนั้นพระ อ, อรหันต์ไม่ได้รักษาจิตถ้าถามว่าพระ อ, อรหันต์ขาดสติไหม พระอรหันต์ไม่ขาดสติเพราะภาวะแห่งการขาดสตินี่เป็นอากุโศลจิตจิตที่เกิดขึ้นของพระอรหันต์มีสองชนิดอันหนึ่งเป็นวิบากจิตอย่างตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นอย่างนี้อันนี้เหมือนจิตของคนทั่วไปอันที่สองตัวชวันณจิตของพระอรหันต์เนี่ยมันจะเป็นกิริยาหมายถึงว่ามันทางานของมันนะโดยที่จิตไม่ไปควบคุมมันเลย สติไม่ได้ไปคุมมันแต่มีสติรู้ตลอดเลยจะไปรู้ไปเห็นเหมือนเห็นสิ่งอื่นนะเหมือนเห็นสภาวะธรรมที่เกิดแล้วดับไปโดยไม่มีเราปนอยู่ในนั้นเลยและไม่ได้ประคองไม่ได้รักษาแล้วก็ไม่เป็นหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์ไม่มีความสุขพระอรหันต์มีความสุขมากนะเพราะจิตของพระอรหันต์เป็นมหากิริยาจิตมีเวทนาสองชนิดคือสมัสเวทนาซึ่งมีความสุขมากเลยกับอุเบกขาเวทนา ซึ่งไม่ได้แปลว่าเฉยๆไม่มีความรู้สึกนะมันเป็นความรู้สึกที่นุ่มนวลคือเป็นกลางอย่างนุ่มนวล น, นะส่วนจิตเกิดสมณัตก็อย่างจิตกระทบกับธรรมอย่างนี้จิตเกิดสมณัตมีความสุขดังนั้นพระอระหันต์ไม่ใช่ไร้ความรู้สึกนะแต่พระอระหันต์ไม่ยึดถืออะไรตังหากถึงได้มีความสุขขนาดนั้นไม่มีภาระสังเกตนะพระอระหันต์ไม่ใช่นั่งตัวแข็งทั้งวันนะถ้าเราวาดภาพว่าพระอระหันต์เอาสติบังคับไว้ตลอดเวลานี่ พระรหันทุกรูปจะมีกิริยาอาการอย่างเดียวกันหมดเลยคือนั่งนิ่งๆเพราะฉะนั้นเราควรปฏิบัติให้เป็นธรรมชาติและควรปฏิบัติตลอดเวลาเท่าที่ทําได้ยกเว้นเวลานอนในหนังสือของเซนจะพูดถึงพระเซนสองรูปรูปหนึ่งคือท่านจินเฉาท่านจินเฉาเขียนสโลกธรรมะบอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดจิตเหมือนกระจกเงาใสกิเลสเหมือนขี้ฝุน่นทุกๆวันต้องคอยปัดฝุน่นปิดเครื่องหมายคําพูด ถ้ายังหยิบกระจกไว้ก็ยังต้องคอยปัดฝุ่นพวกเราที่ยังปฏิบัติอยู่ก็คือยังคอยหยิบเอาจิตใจมาปัดฝุ่นนั่นเองท่านเว้ยหลางเขียนสลกธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดไม่มีกระจกแล้วฝุ่นมันจะมาเกาะได้อย่างไรปิดเครื่องหมายคำพูดจิตของพระอารหันต์มันเหมือนระวางลงไปแล้วไม่มีกระจกนะดังนั้นมันไม่มีอะไรมาเกาะ มันเข้าถึงภาวะที่ไม่มีอะไรย้อมได้ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เป็นธรรมชาติล้วนๆเลยเป็นธรรมชาติจริงๆนะเป็นธรรมดาที่สุดธรรมดายิ่งกว่าธรรมดาทั้งหลายจิตใจของเรานี่ไม่ธรรมดานะจิตใจของพระอรหันต์ธรรมดานะส่วนจิตใจของเราไม่ธรรมดาเพราะกิเลแสแทรกแซง